ข อ, อนอบน้อมต่อคุณพร ะ, ะ ร, พาารัตนตรัยโอกาสพระอาจารย์ไพศาลเพื่อนสนมอีกท่านจเจริญธรรมแม่ชีรละญาติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายๆเนะะาะเจ้าเช้าฝนก็ตกกันดีเนาะฝนตกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำเปาะแปะเปาะแปะเนาะ น, นี่ี่ถ้าเราฟังให้ดีน ะ, นะเสียงมันก็เกิดก็ดับเนาะ เสียงพูดก็เกิดกระดับเหมือนกันใช่ไหะคราวนี้ในศาสนาเขาบอกว่าให้เราเห็นความเกิดตายบ่อยนะเาอาอะไรปรากฏขึ้นก็ได้เราก็รู้เขาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเสียงพูดก็เกิดแล้วดับเสียงฝนเกิดแล้วก็ดับนะตรงนี้เราก็สังเกตได้เนาะความคิดเราเกิดแล้วก็ดับ ถ้าเราสา ม, มารถสังเกตความคิดได้ก็เห็นว่าเขาเกิดแล้วก็ดับอ <c oughs> ืมก็ไม่ได้เป็นความคิด <c oughs> อะไรที่เที่ยงแท้ถาวร น, นะบางคนถ้าสังเกตเก่งๆนะโอ้มันคิดทั้งวันเลย <c oughs> คิดทั้งวันนะบางทีเราแป๊บเดียวคิดตรงหลายเรื่องใช่ไหมห้านาทีคิดนูน่นคิดนี่ไปตลอดเลยเนี่ยแต่อย่างหนึ่งเขาก็แสดงความที่เขาเกิดแล้วก็ดับอ่านะนะการมาแล้วก็ไปการเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะ การเป็นของชั่วคราวเนาะหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราหน้าเบื่อเนาะหน้าเบื่อมันก็เกิดแล้วก็ดับเนาะอะมันก็ไม่ได้เป็นของอเนะที่ยงแทะทาวบอลอะไรเนาะแม้แต่ความหิวนะความหิว <c oughs> ความหิวในะจริงๆแล้วนะเขาเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะลองดูบางบางครั้งนะตอนเย็นๆอนะตอนเย็นถ้าเรา หิวมากๆเนี่ยหิวมากๆแม้แต่เราไม่ได้อาทานอะไรเลยน้ําก็ไม่ทานเนาะมันจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะความหิวความหิวก็หายไปเองความหิวหายไปเลยเนาะความหิวมันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันมันมันจริงๆไม่ต้องไปกินอะไรมันก็มันก็มันก็จะหายหิวได้เหมือนกันเนาะหรือลราง่วงเนี่ยง่วงง่วงมากๆถ้าเราได้ไปนอนนะเราทนปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะีย นั่งปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่เกินครึ่อองชั่วโมงความง่วงกระดับไปเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วลมทุกอย่างนะมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับหมดนะความโกรธเกิดแล้วก็ดับะความรักเกิดแล้วก็ดับนะอยู่ที่ว่าเราเราจะเห็นก็ไหมหรือบางอย่างเราลูกสึกมันมีความทุกข์จังเลยนะไอ้ความโกรธนะมันมันทุกข์มากหรือเราอมีความผิดหวัง อะไรต่างๆนะการพักภาคจากคนที่เรารักนะ เ, เขารักเราเราลักเขาเขาไม่ลักเรารู้สึกมันผิดหวังาบางคนรู้สึก อ, อกหักนะมันอยากจะฆ่าตัวตายก็มีนะาบางคนบอกว่าถ้าอยากจะฆ่าตัวตายนะลองดูเว้นไปสักสองวันก่อนก็ได้นะไม่ต้องฆ่าเดี๋ยวนี้เราเว้นไปสองวันอพอสองวันมันจะเห็นเอออารมณ์ที่มันมีความทุกข์จากความเศร้ า, าความผิดหวังความอกหัก อความซึมเศร้ามันก็จางหายไปแล้วมันก็ไม่อยากฆ่าตัวตายเนาะคราวนี้บางทีมันก็มีวิธีนะเอคนที่อยากจะฆ่าตัวตายนะลองเอาอะไรยุ่งยุ่งให้เขาทำให้ก็ไปทําอะไรที่มันยุ่งยุ่งทั้งหลายแหล่มันก็จะลืมไปเออลืมความคิดนั้นไปไปไปยุ่งกับเรื่องที่ทําแทนมันก็หายไปนะหรือคนที่โกรธกันกันนะโกรธแล้วก็ลืมไปไปทำอย่างอื่นให้มันยุ่งยุ่งไว้มันก็หายไป จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เราไปให้ค่าเขาไหมอารมณ์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมอารมณ์ต่างๆในจริงๆแล้วไม่ได้ทำแล้วเรามีความทุกข์น ะ, ะเช่นความโกรธหรือความรักความชังความอิจฉาอารมณ์ทั้งหลายแหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําเราทุกข์เลยแต่เมื่อเราไปให้ค่าเขานะไปให้ค่าเขาแล้วมีตัวเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเราก็มีความทุกข์ทันที แต่ถ้าเราไม่ไปให้ค่าเขาเขามาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเท่านั้นเองนะความโกรธก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่ที่ว่าเราไปให้ค่าเขาไหมไม่ให้ค่าเขาก็ผ่านไปนะเราก็ไม่ต้องมาเรียกเขากลับมาไอ้ที่เราไปคิดวนอีกครั้งนึงแหละเราไปเรียกเรียกเขากลับมาเองจริงๆแล้วก็ผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่นึกถึงใหม่ก็ก็กลับมาเยี่ยมเราใหม่นี่แะเพราะว่าเราไปให้ค่าเขานะทุกอย่างเราไปห้ามก็ไม่ได้หรอกใช่ไหม ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีอา ญ, ญาณเกิดขึ้นก็ต้องมีการกระทบเขาเรียกเป็นผัสสะเมื่อมีผัสสะ ก, ก็มีเวทนาก็คือมีความชอบใจไม่ชอบใจหรือเฉยเฉยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะเมื่อมีตามีหูก็ต้องกระทบรูปกระทบเสียงเมื่อกระทบแล้วก็ต้องมีเวทนาคือความชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยอันนี้เป็นเรื่องของอตามสภาวธรรมหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ก็เป็นเช่นนั้นเองนะมันไม่ใช่เป็นการทํางานของเราแต่เป็นการทํางานของระดับจิตใจนะตรงนี้อยู่ที่ว่าเราไปให้ค่าเขา ไ, มไหมนะมาถ้าเราไม่ให้ค่าเขาก็ผ่านไปเนะี่ยเขาไม่ได้มาสร้างความทุกข์เราหรอกเขาลบุทุกอย่างมันก็เกิดตามพราหมณ์ธรรมตามเห็นลูกผูได้ยินเสียงก็มีความยินดีไม่ยินดีก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเนาะแต่เราไปให้ค่าก็เองนะเราเป็นมีตัวเราเข้าไปแสดง ถ้าเราไม่ไม่ไปรับนะตรงนั้นเขาผ่านหมดนะเพราะว่านะเขามาแล้วก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอยู่แล้วเขาเกิดแล้วก็ดับเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอยู่แล้วเทอนอารมณ์ทั้งหลายเขาไม่ได้เป็นตัวทุกข์กับเราแต่อย่างใดเราเพียงแต่ไปให้ค่าเขาแล้วมัมีตัวเราไปร่วมรับอ่กระทบในตรงนั้นนะมีตัวเราขึ้นมาอมีตัวกูะของเราเทงนั้นเองเนาะถ้ามันมันไม่มีตัวเราเยอะอืม ตัวเราเล็กๆ เ, เราก็ผ่านสบายล้าตัวเราใหญ่นะตัวเราใหญ่มันก็จะรับเต็มที่นะวะตัวเรา <c oughs> ยิ่งคนตัวใหญ่นะยิ่งรับเยอะ <c oughs> คนตัวเล็กยิ่งตัวเล็กมันก็ไม่รับน้อยยิ่งไม่มีตัวนั้มันะยิ่งไม่รับอะไรเลยมันก็ผ่านหมดเนาะเพราะนู่นอย่างเนี่ยเราไปห้ามนก็ไม่ได้นะ <c oughs> เราจะไปห้าม <c oughs> อยามาว่าแล้วนะ <c oughs> อย่ามานินทาเรา ออย่ามาใส่ร้ายเราอย่ามาดูถูกเราเนี่ยมันห้ามใครก็ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าห้ามได้ฝานนี้พระพุทธเจ้าท่านสมัยพุทธกาลนะท่านก็ไปเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยก็มีชาวเมืองเนี่ยออกมาด่าท่านกันมากมายซึ่งจริงๆแล้วก็โดนจ้างมายต่างหากเนาะท่านวมบอกว่าอเมืองนี้เขาด่าเราเราอย่าอยู่เลยเราไปเมืองอื่นเถิดพระพุทธเจ้าบอกว่าแล้วถ้าไปเมืองอื่นแล้วเขาด่าเราแล้วเราจะทําอย่างไร พระนองบอกว่าเราก็ไปเมืองอื่นต่อไป พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหตุเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้ดับในที่นั้นเหตุเกิดที่เมืองนี้ก็ต้องดับที่เมืองนี้แล้วก็เป็นจริงนั้นก็คือด่านั่นก็ไม่เกินเจ็ดวันเขาก็หยุดด่าแล้วแต่จริงๆแล้วเหตุเกิดขึ้นที่ไหนเหตุเกิดขึ้นก็ที่ในใจเรานั่นแหละใช่ไหม ความไม่พอใจมันก็เกิดในใจเราเท่านั้นเองแล้ว เ, เราไปห้ามก็ได้ไหมบอกว่ายามาด่าได้ไหมห้ามไม่ได้เนอะอืะแต่เมื่อเขาด่าแล้วเนี่ยเหตุก็เกิดในใจเราแต่ใจมันก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมบัติก็คือมันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแล้วก็เป็นไปนตามที่เรียกว่าหูได้ยินเสียงนะก็มีความไม่พอใจก็เป็นเรื่องของเวทนานธรรมดานั่นเองนะเวทนามันก็เป็นเรื่อง ของจิตใจไม่เรื่องเราเป็นเรื่องของสภาวธรรมอยู่เราไปให้ค่าก็ไม่เมื่อไม่ให้ค่าก็ผ่านไปไม่มีตัวเราไปรับเนาะเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองเนาะก็ผ่านไปหมดนะเพรเาะอทั้งหลายหลายเราไปห้ามใครไม่ได้นะแต่เราสามารถมาแก้ที่ใจเราได้ให้เราเข้าใจความจริงว่าเราไปบังคับใครก็ไม่ได้หรอกแม้แต่ตัวเราเราก็ยังมาบังคับไม่ได้เลยใช่ไหมบอกให้หยุดคิดสักห้านทีก็หยุดคิดไม่ได้ หรือว่าว่าอย่าไปอจะไปโกรธใครอย่าไปรักใครมันก็เป็นสิ่งหรือว่าเราก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวเราก็ยังห้ามไม่ได้เนาะถ้าเราห้ามปากนี้เราคงไม่นินทาใครแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าเราก็ห้ามไม่ได้นะหรือเราห้ามปากได้ใจก็ห้ามไม่ได้ใจก็นึกอยู่เรื่อยๆ เ, เออโน่นผิดนี่ถูกอะไรทั้งหลายแหละมันก็นึกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใจเราก็ยังห้ามไม่ได้เลยเราเรายังไม่รู้เลยอีกนาทีข้างหน้ ains, ามันจะคิดอะไรใช่ไหม นใจมันเป็นเรื่องที่มันทํางานมันเองแท้ๆเลยเนาะตัวใจของเราเองก็ยังห้ามไม่ได้แล้วเราก็รู้ไม่ทันว่ามันมันจะทําอะไรต่อไปแล้วเราจะไปห้ามคนได้อย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นเราห้ามสิ่งต่างไม่ได้หรอกแล้วก็กลับมารู้ทันตัวเราเองเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ให้ฆ่าทุกอย่างนะเมื่อไม่ฆ่าก็คือการยอมรับในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะอเขาจะว่าเราดีก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับไปเขาจะว่าเราไม่ดีแล้วก็ยอมรับไป ไม่ใช่เพราะเขาว่าเราดีแล้วก็ดีใจยอมรับแต่ว่าเราไม่ดีแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยเราไม่ยอมรับความจริงเนาะเพรา ะ, ะนั้นกายอมรับความจริงก็คือยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเราจะเจ็บไข้ไม่สบายก็ยอมรับไปนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงก็ยอมรับไปมันก็ไม่ทุกนะแต่เมื่อใดที่ไม่ยอมรับมันก็มีความทุกข์นั่นแหละสมัยก่อนเมื่อหลายปีแล้วตอนเป็นคารวาสอยู่ก็มีนัก โ, ษโทษตุกเขียจนจดหมายมาหาจริงๆแล้วก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าเขารู้จักระมาเอง เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยทำไมดโดนลงโทษจำคุกไล่แรงต้องสิบกว่า ป, ปีอนะเขามีความแค้นมากโดนใส่ความเนาะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทนไม่ได้ถ้าเขาทำผิดจริง ก, ก็ก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับแต่นี้เขาไม่ได้ทำผิดเลยแล้วต้องมาติดคุกต้องสิบกว่ ป, ปีเนาะตอนนี้มันเพิ่งจะติดใหม่ๆเนาะก็เลยเิดยนหมายบอกเขาไปนะว่าเออให้ยอมรับไปนะเราไม่ได้ทำผิดในชาติเนี่ยแต่ชาติก่อนๆเราจะเคยทำผิดไว้ก็ได้ใช่ไหม อาจจะเคยทําตั้งสมัยไหนก็ไม่รู้นะดูนกเด้มันไม่ทําผิดแต่ไม่ต้องโดนอขังขังกลงนะมึงที่โดนขังตลอดชีวิตเลยใช่ไหมเราทําตั้งสมัยไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ก็ติดต่อไปนะถ้ายอมรับไปอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับไปไม่ได้ทําในตอนนี้มาก่อนก็เคยทําก็ได้เนาะนะครั้นี้ก็ติดต่อกันสองสายแบบเขาก็บอกว่าเออตอนนี้เขาเริ่มยอมรับขึ้นมาบ้างแล้วก็ฟังแล้วก็มีเหตุมีผลนะเขาก็เริ่มยอมรับขึ้นมาบ้างแล้ว ไม่ยอมรับปรากฏว่าเขาบอกบอกว่ามันรู้สึกความทุกข์ก็ลดน้อยลงแล้วก็เปลี่ยนนิสัยใหม่ว่าจากเมื่อก่อนเป็นคนเป็นคนกอเก็บกดเก็บกดอารมณ์เจ้าคิดเจ้าแค้น <c oughs> แล้วก็มันก็เป็นความทุกข์อยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้จะระบายกับใครแต่เมื่อได้ระบายแล้วแล้วก็ <c oughs> เริ่มเข้าใจเหตุผลในการยอมรับแล้วรู้สึกความทุกข์ก็ลดน้อยลงนะตรงนี้ก็ทําให้เขาเปลี่ยนนิสัยจากกลายเป็นคนก้าวล้ามาเป็นคน อ่อนโยนลงแล้วก็ได้ทำงานที่สบายขึ้นหลังนั้นไม่นานก็ได้เป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็กติดคุกไม่กี่ปีก็ได้ออกมาเนาะตรงนี้เกิดจากการที่เขายอมรับความจริงในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะถึงแม้เราจะไม่ทำผิดก็ไม่เป็นไรเราเรายอมรับเขาได้ไหมถ้ายอมรับเราก็ อ, อก่อนอ่อนจากความทุกข์ได้ <c oughs> หรือจริ ง, รงๆแล้วในศาสนาอื่นๆที่มีพระเจ้าก็เหมือนกันนะบางทีบางศาสนานี่แหละ เขารู้สึกว่าเขาก็มีความาเป็นปมด้อยมากคนเด่นทำห้เกิดมาพิกการทำห้ลูกเกิดมาปัญญาไม่ไม่แข็งแล้วนะรู้สึกมีความทุกข์มากแต่ถ้าเขาคิดว่านี่ละคือพระเจ้ า, าพระเจ้าท่านก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นนะนี่คือความประสงค์ของพระบูญเจ้านะจากการที่เขามีความทุกข์เมื่อเขายอมรับว่านี่คือประสงค์ของพระเจ้า จากการยอมรับนั้นความทุกข์เขาก็จะลดลงนะบางครั้งทําให้ต้องเกิดกับเรานี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อความเมื่อเขายอมรับในความที่เขาเข้าใจเช่นนั้นความทุกข์ก็จะลดลงเหมือนกันแล้วก็ลดได้จริงๆนะถ้าเขามีศรัทธาจริงๆเขาเจาะจาความทุกข์ได้เพราะนี่แหละทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าทั้งนั้นเลยเนาะแต่ถ้าเมื่อใดที่คนที่ไม่มีหลักในศาสนาใดๆนะ ในศาสนาที่เป็นพระเจ้าก็สามารถยอมรับพระเจ้าได้ว่าเป็นการบันดาลของเจ้าก็ความทุกข์ก็ลดลงเหลือจะไม่ทุกข์แล้วหรือในพูดศาสนาก็ยอมรับใ น, ในเรื่องกฎแห่งกรรมต่างๆในคําสอนของพระเจ้าที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นก็ความทุกข์ก็ลดลงแต่คนที่ไม่มีศาสนาก็จะมีความทุกข์มากเพราะไม่มีหลักยึดในใจเมื่อไม่มีหลักยึดในใจพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้มันก็ไปทําในสิ่งที่เรียกว่า เป็นสิ่งที่ผิดพลาดได้ง่ายเนะเพราะว่าไม่มีหลักในใจเนี่ยในประเทศจีนสมัยก่อนนะเมื่อสยี่สิกว่าปีก่อนนะั่นไม่ค่อยมีศาสนานะสมัยก่อนน่ากลัวมากไม่ก็มีศาสนาคนก็ห่างห่างกันเยอะยิ่งสมัยคอมมิวนิสต์นี่ยิ่งไม่มีศาสน า, าเลยตอนนั้นคนแทบไม่มีที่พึ่งเลยแล้วก็น่ากลัวเพราะว่าเขาไม่มีหลักยึดในใจมีคาสอนของเก่ า, เ, กาเช่น คงจื้อบ้างต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเครื่องยึดของคนสมัยก่อนนะจริงๆพุทธศาสนาก็มีมาเก่าแก่แล้วแต่ว่าหลังจากยุคคอมมินิตนี้ก็หายไปทําให้คนมีความทุกข์มากแต่มาในยุคนี้ก็พุทธศาวก็กลับมาในจีนอีกครั้งหนึ่งนะชาวจีนก็มาเปิดทำกันเยอะทําให้เขามีหลักยี่ในใจเราทุกวันนี้ชาวจีนก็มีเครื่องเครื่องอยู่ในใจมากมายแล้วจากศาสนาต่างๆนะไม่ว่าจะศาสนาพุทธศาสนาคริสเนี่ยแหละก็เป็นเครื่องที่ในใจของเขา ทําให้เข้าความทุกข์น้อยลงอันนี้ที่สัมผัสก็เคยไปสัมผัสจริงๆนะเพราะว่าคนสมัยก่อนก็ไม่มีเช่นนั้นเขาก็มีความทุกข์มากแต่ตอนหลังก็ไปสัมผัสใหม่รู้สึกเขก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มมีมีหลักยึดในใจเนาะเพราะการที่เรามีหลักยึดในใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญนะนะครานี้หลักยึดที่สําคัญของพุทธศาสนาก็คือให้เรากลับมารู้จักตัวเราเองนะนะคําสอนรูเจ้าเนะี่ยไม่ได้ไปสอนว่าเราต้องไปรู้อะไรรู้ในสิ่งนอกตัว รู้ในจักรวาล น, นะรู้นอกโลกรู้ไปหมดดาวังคารมีอะไรหรือในมหาสมุทรลึกๆมีอะไรนะอันนั้นเป็นเรื่องนอกโลกเป็นเรื่องนอกนอกตัวเรานะพระพุทธเจ้าบอกให้เรากลับมารู้จักตัวเราเองไหมนะรู้จักกายรู้จักใจนี่แหละก<ค><ณ><ค><ณ>ารที่เรามีความทุกข์มันก็ไม่ได้ไปทุกข์ภายนอกเนาะมัน<ค>ก็ล<ณ>ุกทุกข์ที่กายและใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็ทุกข์ใจนะแล้วก็กลับมารู้ความทุกข์นี่แหละ รู้แค่ความทุกข์ก็พอแล้วนะศาสน า, าไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยให้รู้จักความทุกข์อ่ะเ <_ d ata> พราะฉะนั้นจะเริ่มต้นด้วยอริสัตยนะกลับมารู้จักความทุกข์ทุกในแหละเป็นสิ่งต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละก็คือเรื่องทุกข์เนี่ยต้องรู้และต้องละ <_ d ata> ต่อมาก็ทรงสอนให้รู้ในเรื่องการออกจากความทุกข์หรือการปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ก็มี2 อ, อย่างเหมือนกันก็นกคือมีมัจมีองแปะก็คือเราไปตามมัจเพื่ออะไรเพื่อถึงนิโรธก็คือดับความทุกข์นั่นเองเนาะ พอโดยสรุปแล้วก็คือให้รู้จากความทุกข์และดับความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไปดับหรือว่าไปารู้อะไรแต่ให้รู้เรื่องกายและใจนี่แหละเป็นความทุกข์ไม่ต้องรู้ว่าภายนอกมันทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่จําเป็นนะกลับมารู้กายและใจ เ, เป็นความทุกข์ก็พอแล้วแล้วก็มาดับที่กายและใจเราเท่านั้นเองเนาะ <c oughs> อยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันไหมนะอารมณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆก็เป็นความทุกข์นะความรักความชังก็เป็นความทุกข์หมดใช่ไหม บางคนบอกว่าความรักดีนะมีความสุขแต่ความรักมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็มีความทุกข์แล้วก็ความรักเป็นความยึดติดการยึดติดสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความพัดพากไม่เป็นธรรมดาเนาะก็ต้องรู้เท่าทันว่าเราไปยึดอะไรไหมใจเราที่ไปยึดอะไรนั่นแหละมันจะเป็นความทุกข์เนาะทุกวันนี้เราอคนอยู่โรบาลมากมายนะอาจจะมีเด็กๆอยู่เยอะ แต่เราก็ไม่ได้มีความทุกข์กับเขาเพราะเราไม่ได้ไปยึดมั่นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่ยึดมั่นแต่เมื่อใดที่เรารู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไปผูกพันกับเขาไปอยู่โรบาลเราก็มีความทุกข์นั่นแหละมันไม่ได้ไปก้าที่ไหนเลยแก้าที่ใจในความผูกพันเท่านั้นเองนะความผูกพันซึ่งเป็นแค่สมมติเท่านั้นเองเราเราก็ไปยึดเขานะลูกหลานมันก็จริงๆแล้วเนาะมันอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้สมมุตินะอเราอ่า มีคนไปออกลูกที่โงไปบบานนะแล้วก็มีเตียงติดกันออกลูกพร้อมกับเรานะแล้วก็ต่างคนต่างก็เอาลูกกลับมาที่บ้านเลี้ยงต่อมาผ่านมาสักสิบห้าปีนะก็มีผู้หญิงคนนึงมาหาบอกว่าเออที่ไปออกลูกพร้อมกันนะนะจริงๆแล้วลูกของเธอเนี่ยเป็นลูกของฉันลูกของฉันเนี่ยเป็นลูกของเธอเอี่ยเราก็เลยงงอะไรลูกของเราเป็นลูกของเขาได้ไงนะ เขามาเล่าฟังว่าตอนที่เอาเด็กไปช่างน้ําหนักนั่นแหละก็ไปช่างด้กันทั้งคู่แต่ว่าตอนเอามาเอามาส่งคืนเนี่ยมันไปสลับสลับที่กันนะก็คือไปสลับวางเด็กสลับกันเนาะเพราะเด็กเนี่ยก็เป็นลูกลูกที่สลับกันคือสมัยก่อนยังไม่มีผูกข้อมือนะอะไรทั้งหลายแหลกนี้แหละนะครั้นี้เขาก็สงสัยว่ามันน่าจะไม่ใช่ลวงเขาบ้างเขาก็ดูแล้วก็แปลกๆก็เลยไปตรวจดีเแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ลวงเขาจริงๆเนาะ เพราะนั้นลูกลูกของเธอเป็นลูกของฉันนะคราวนี้เราก็เริ่มก็เลยเริ่มงงเอ๊ะมันลูกใครกันแน่นะอตอนหลังเราก็เอาลูกเราไปแอบตัวจ DNA บ้างนะแต่ก็ไม่ได้บอกลูกเราก็เลยอเข้าใจโอ้ลูกเราก็ไม่ใช่ลูกเราจริงๆเพราะมันก็สลับเราจริงๆนะแต่เมื่อก่อนที่เราเคยรักลูกมากมายโอ้ลูกเป็นของเรานะเรารักเราผูกพันมากลูกของเรานะเรารักมากจริงเลยเราผูกพันจังเลยมีความห่วงใยจริงๆ ก็พอเริ่มรู้แล้วเออไม่ใช่ลูกเราแล้วความรักก็ยังอยู่นะความรักก็ยังอยู่อย่างเก่าแต่ว่าความผูกพันก็ลดน้อยลงนะมันผูกพันลดน้อยลงเพราะว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ลูกงเราแล้วนะแต่ถ้าวันใดถ้าลูกก็รู้ความจริงขึ้นมาเหมือนกันว่าเออเขาก็ไม่ใช่ลูกเราเหมือนกันตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นคนแปลกหน้าแล้วกลายเป็นคนแปลกหน้าแล้วทั้งๆก็เป็นอย่างเก่านะแต่กลายเป็นคนแปลกหน้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าความผูกพันมันลดน้อยลงความผูกพันก็คือความไปยึดมั่นนั่นแหละ นึกมากเป็นลูกของเราเนี่ยมันผูกพันมาลดน้อยลงนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฉยๆกันกลายเป็นคนแปลกหน้าก็มีนะแต่มันก็ยังรักกันอย่างเดิมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการถอดถอนความยึดมั่นในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อไรที่เราถอดถอนความยึดมั่นได้ว่านี่มันไม่ใช่ของเรานะมันก็ลดลงไปเลยแต่ว่าเมื่อไรที่เรายึดว่าเป็นของเราเออลูกนี่เราให้กําเนิดเ น, นะเลี้ยงดูมาอย่างดีอะไรทั้งหลายแหละนะมันก็กลายเป็นความผูกพันเป็นความยึดมั่นไปอ่ะ ตรงนี้ก็เลยต้องสังเกตใจของเราวนะ่าจริงๆเนี่ยเรามีความผูกพันกับอะไรไหมนะเรารักอะไรไหมถ้าเราถ้าเราสังเกตไม่ได้เราก็จะยึดมั่นมากมายยึดมั่นอย่างเหนีวแน่นนะเงนัยน่นเลยว่าเป็นของเราเป็นของเราสามีก็เป็นสามีเราภรรยาก็เป็นสามภรรยาเราตรนะาบใดที่เป็นภรรยาเราหรือเป็นสามีเราจะเล่นลายกับใครนะต้องไปแอบดูเล่นลายกับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าเนาะ เล่นไล่ผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าเนาะนี่จะมีความทุกข์แล้วไปแอบดูนะอืมแม้แต่ออกจากบ้านกออ็คอยตามดูจะไปไหนบ้างทําไมกลับดึกนะแต่เมื่อวันใดที่มีการเลิกกันมีการหยา ก, กันแล้วไม่สนใจแล้วนะเอาไปเที่ยวผู้หญิงคนอื่นไปเที่ยววิจารณ์ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เรื่องเราเพราะว่าความผูกพันในใจมันหมดไปแล้วใช่ไหมจริงๆมันก็แค่สมมติเท่านั้นเองว่า น, นี่เป็นอะไรตัว อ, อย่างหนึ่เป็นสามีเป็นลูกเป็นอะไรทั้งหลายแหละมันแค่สมมติแล้วเราก็ไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น เรายึดมา่นแล้วเป็นอย่างไรเราก็ไปไปมีความทุกข์เองทุกข์จากความยึดมั่นของเรานั่นแหละไม่ได้ทุกข์จากอะไรไพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสัพเพธรร ม, มานานังในพนนพินิเวสายะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะเทําทั้งหลายก็หมายความว่าสิ่งอะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สรรพสิ่งในโลกนี้ก็คือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะแล้วเราก็จะความทุกข์ได้นะ ความยึดถือสิ่งใดก็จะนําความทุกข์มาให้เราเรารักผู้ใดก็นําความทุกข์มาให้เราเพราะทุกอย่างมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนมีแต่ความไม่เที่ยงเนาะจึงต้องสังเกตใจเราว่าเรามีความผูกพันมีความติดยึดในอะไรไหมนั่นแหละก็จะนําความทุกข์มาให้เราข้อนี้ก็มีเมื่อมีเวทนาก็คือมีความรักความไม่ไม่รัก หรือเฉยๆแล้วมันก็จะมีตัณหาตามมาก็คือเราก็มีความทยานอยากในสิ่งนั้นมีความอยากได้ในสิ่งนั้นนะตาเห็นรูปเนี่ยโอ้ผู้หญิงนี่สวยจังเลยนะอ่าก็เกิดตัณหาขึ้นมาความอยากได้อ่าอยากผูกพันความทยานอยากในผู้หญิงคนนั้นนะเราก็ไปสแสวงหาโดยวิธีการต่างๆนะไปทางความรู้จักต่างๆนะตรงนี้เมื่อทาแล้ว มันก็ม <gauche vanity> <1. S 2> ีความผูก hmm. พัน <happily> ก <stayed Korean> ัน <Kim> ก <read allen> ็กลายอุปทานขึ้นมาก็ไปยึดติดผู้หญิงแล้วเองก็ตรงนี้เป็นแฟนเรานะอ่าตรงนี้เป็นแฟนเราอผู้ชายนี่เป็นแฟนเราเนี่ยยึดติดแล้วอุปทานแล้วการที่เรายึดติดนั่นแหละมันก็นําความทุกข์มาเราเพราะมันเป็นภพเป็นภูมินะอ่ายึดติดเนี่ยอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพอ่าภพปัจจัยเกิดชาติชาติปัจจัยเกิดชรามรณะอ่ามีความทุกข์ต่างๆตามมามากมายใช่ไหมมันก็เป็นภาวะธรรมในใจเราอีกนะ เมื่อมีเวทานาก็มีตัณหาเมื่อประทานตามมาแล้วก็นําความทุกข์มาให้เราเ <c oughs> นี่ยคือปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นเลยที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้เป็นกระบวนการของจิตทั้งหมดที่พระเจ้าได้เห็นแล้วในวันตรัสรู้นะตรงนี้มันจะนําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นเลยกระบวนการมันเป็นแบบนี้ความทุกข์เกิดจากการราไปไปเห็นแล้วก็ไปเกิดความพอใจแล้วก็เกิดการยึดติดเนะียมันก็นําความทุกข์มาให้เราใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็รู้มัเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจแล้วนะเราก็ไม่ไปให้ค่ามัน มันจะยึดติดก็ไม่เป็นไรเรารู้ทันไหมนะมันจะวางก็ไม่เป็นไรเรารู้ทันไหมเพราะนั้นก็คือเรากลับมารู้ทันอารมณ์เราแต่ละขณะแต่การที่เราจะรู้ทันอารมณ์ได้นะมันเป็นเรื่องที่มันยากแต่วิธีการง่ายๆกกลับมารู้ทันกายก่อนนะรู้ทันกายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนรู้ไหมลืมกินพูดคิดรู้ไหมผููแขนเหียดแขนต่างๆแล้วเนี่ยเรารู้ไหมนะ เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ทันกายอะรู้ทันกายเป็นเรื่องง่ายๆเนาะครั้นี้เมื่อเรารู้รู้ทันรู้ทันกายแล้วก็รู้ทันใจด้วยเพราะใจเนี่ยมันติดกับกายเพราะเมื่อเรารู้ทันกายไปแล้วนะตอนนี้เรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งใช่ไหมเราพลิกมือรู้ไหมว่าพลิกมือเราได้ยินรู้ไหมว่าเราได้ยินนะเพราะเรารู้ในตรงเนี้ยไม่มีความคิดเราก็รู้ทันนะเพราะเป็นกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องกันกายเรารู้ทันกายแล้วเรามีสติแล้วสติรู้ทันกายอ่ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดมันมีสติรู้ มันก็เลยเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้นะจากการหลงที่มันหลงไปในความคิดก็กลับมาเป็นรู้กายแทนเมื่อเกิดการรู้กายเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะเพราะไม่มีสติแล้วนะสติมันเกิดจากการรู้กายนะรู้กายเมื่อสติมันโตขึ้นมีความคิดเราก็รู้ทันอมีความโกรธเราก็รู้ทันมีความรักเราก็รู้ทันมีลมในใจอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ทันกายก่อนเราก็รู้ทันใจเราด้วยนะ เพราะว่าเป็นการเจริญสติรู้กายแล้วก็รู้ใจเพราะเจ้าจึงบอกว่ามันไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะนะก็แค่รู้กายรู้ใจนี่แหละมันก็รู้กายรู้ใจนะรู้กายแล้วก็รู้ใจไปด้วยนะแต่ถ้าบุไดที่มีสติอยู่แล้วนะคือสติเราฝึกมาดีแล้วเราก็สามารถรู้ใจได้เลยมีความคิดเราก็รู้ทันมีความโกรธเราก็รู้ทันมีความรักเราก็รู้ทันอันนี้เรารู้ได้เลยเพราะว่าเรามีสติอยู่แล้วแต่ถ้าเราสติเรามีน้อยมีน้อยนะเราก็ต้องสร้างขึ้นมา วิธีการสร้างกลับมารู้กายนี่แหละง่ายๆเนา ะ, ะกำลังทําอะไรอยู่ก็ให้รู้อาบน้าแปรงฟันล้างหน้าซักผ้าถูบ้านทั้งหลายแหลทานอาหารก็รู้กายการรู้กายนั่นแหละคือสตินะเขาเรียกายกายยักษกายยตาสตินะรู้กายหรือว่ากายอนุปัสนานะกายอนุปัสนาสติปัญญาก็คือตามรู้กายตามรู้กายเป็นปัจจุบันนะตามรู้กายเป็นบันยืนเดินนั่งนอน ดื่มกินพูดคิดนี่แหละตามรู้กายเป็นปัจจุบันหลังนั้นเราก็จะตามรู้ใจได้นะตามรู้ใจเขาเรียกว่าจิตตามรู้ปัสนาติปทานก็คือตามรู้ใจนะเมื่อเรารู้กายเราก็ตามรู้ใจรู้ทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายรู้เท่าทันความยึดมั่นรู้เท่าทันการให้ค่ากับสิ่งต่างเนาะตรงนี้ใจมันก็สบายสบายเพราะเรารู้ทันแล้วนะแต่คําว่าสบายไม่เชื่อมันไม่มีอารมณ์นะไม่เช่ไม่มีความโกรธความรักความชัง แต่ว่าเราไม่ได้ให้ค่าเข้าแล้วก็คือเป็นเรื่องธรรมดากดก็กดไปเป็นเรื่องของนายไม่เรื่องเราเป็นเรื่องของเรื่องของใจไม่เรื่องเรานะของมันเองมันทํางานมันเอง <c oughs> ไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่เมื่อไรที่เป็นเราเรากดเรารักเราชามันก็จะอยู่กับเราใช่ไห <c oughs> มันก็มีแ ข, ก ม, แนะแขกมาเยี่ยมเรานะแขกมาเยี่ยมเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไปตอนรับเขาดีนะเออเอาอาหารปูเสือเลี้ยงเขดีเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะอที่หลังก็จะมาเยี่ยมเราบ่อยๆมา แต่ถ้าเรามาเยี่ยมแล้วเราก็ไล่เขาหนีไปเลย mm. เขาก็โกรธนะทีหลังก็มาด้วยความโกรธ mm. แต่เวลาแขกเขามาแล้วก็ไม่ไม่ตัวตอนรับเขาดีก็ไม่ตัวไปไ ป, ไปขับไล่เขาเราก็ยิ้มยิ้มให้เขาก็พอแล้วนะแลรวคนในรุ่นเขาก็จะผ่านไปเขาเขารู้ว่าเราไม่ได้ให้ค่ากับเขาแล้วเขาก็ผ่านไป <c oughs> อารมณ์ต่าง ก, กันนะเขามาแล้วก็เหมือนกับแขกนี่แหละเราไปตอนรับเขาดีคือเราไปให้ค่าเขามะไปให้ค่าก็ไปเรียกดูปูเสือเขา หรือไม่เราไปขับไล่เขาก็คือเราไปขับไล่อารมณ์นี้ไม่ดีไปจัดการเนี่ยเขาอไปอไปกดข่มเขาอไปจัดการ اه, เน่ยเขามือนก็ไปเราไปขับไล่แล้วนะมันก็จะเกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในใจเรากันมันก็เป็นแขกมาแล้วก็ไม่ให้ค่าเขาก็ก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ยอมรับความจริงเขามีสิมาเยี่ยมได้เราได้หน้าไม่ใช่ว่าเขามาเยี่ยมเราไม่ได้เรายอมรับการมาเยี่ยมของเขาแต่เราก็ไม่ให้ค่าเขาก็ผ่านไปทั้งหมดเนาะตรงนี้เราจะไม่มีความทุกข์เลยคือความทุกข์ก็จะลดลงไปเอง หลังนั้นจิตเราเมื่อเข้าถึงระดับหนึ่งแล้วจิตก็เกิดการปล่อยการวางการมีติดพอเราเห็นแล้วว่า <c oughs> ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความแปรปวนเราบังคับบัญชาไม่ได้ <c oughs> เมื่อจิตเข้าใจเช่นนี้แล้วก็เกิดเกิดการปล่อยวางจากจิตใจที่แท้จริงจิตใจที่ปล่อยโดยตัวเขาเองนั่นแหละความทุกข์เราก็จะลดลงและในสุดก็เราก็จะพ้นทุกถึงความดับทุกข์ถึงความสิ้นทุกข์ได้เนาะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุตท น้อมนำทุกท่านเจริญด้วยสีสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุทันเทิน